เราทำเป็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้พบเห็นจึกษสาของจริงอย่ามามีสติกาหนดกายเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติเห็นกายกายเราก็มีสติก็มีอย่าเพ่ง น, นันเดินอย่าเป็นการคิดเห็นให้เป็นการพบเห็น ของจริงเห็นกายเห็นแล้วเห็นอีกร้อยข้างพันหนุนู้รู้เห็นพบเห็นเออนี่เออนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่คือกายตัวเห็นตัวรู้เป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่นันเป็นปรูปธรรม มันมีเอันเคลื่อนไหวมีกันที่รูปสึกเคลื่อนไหวดูไปดูมาเห็นกายเป็นรูปรูปสืกโน่รูปสึกนี้เป็นนามธรรมามีแต่รูป ก, กับนามจะเอากายที่มันเคลื่อนไหวเป็นดุนเป็นก้อนนี่มาเป็นสุกมาเป็นทุกมาผิดมาถูกผิดถูกเป็นเรื่องของรูปของนามเราก็รูกเข้าไป บางทีรูกมันแสดงถึงความสุขความทุกข์ด้วยสุขทุกข์อันนั่นเป็นชื่อของธรรมะหรือว่าเวทนาเราเห็นเวทนามันเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดเกิดรูปเกิดกับนามมันก็มีได้การสุขทุกข์อันที่เกิดกับรูปเกิดนามไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตนมันเป็นจักแต่ว่าเวทนา เดีวสุขทุกข์ที่เกิดกับปูุกกำน้ำมาเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้ า, ามาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เลื่อนชาให้เห็นเข้าไปสุขทุกข์ไม่ใช่การไปหามันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็เห็นมันก็ทักท้วงไปเอชนาหรือว่าสุขทุกข์นี่เราใช้ตัวชใช้ต้นอย่าเป็นผู้สุขอย่าเป็นผู้ทุกข์ไปเกับปลุกไปกำน้ม บางที่น้ํามันก็เคลื่อนไหวได้หลายอย่างนั่งอยู่นี่คือรูปอันที่หมกมุ่นคุณคิดไปทางอื่นเป็นนามธรรมที่เหมือนหมกมุ่นคุณคิดไปไหลไปนั่นให้เห็นมันเั็นจิตภาษาเรียกง่ายๆว่าจิตมันก็ต้องคิดโดน่นคิดนี่อยู่ดิ่งไม่เป็นเหมือนกัะบลิง อย่าความคิดเช่นนั้นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ว่าตัวว่าตนมเห็นเป็นสักแต่ว่าเป็นจิตที่มันคิดอ่านความคิดความอยู are, been sick, been through, ่นิ it become, it that, ่งไว้เป so ็นมันเป็นอาการของจิตท so ี่ม so ันเป็นเช่นนั้นนั่นก็สักว่าจิตเจะเอาความคิดต้นคิดนี่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผิดเป็นถูกเห็นเป็นสักว่าคิดเป็นสักว่าจิต ไม่ใช่ตัวชื่อตน่อามันคิดสิ่งใดก็เป็นไปกับมันมันก็ไม่ได้ศึกษาเป็นตุนเป็นข้ออ่านเรื่องสักวาจิตมันก็คิดเป็นบางทีเราไปเป็นตัวเป็นตนอยู่กับความคิดเท่นนั้นเฉียเวลาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจไม่พอใจกับความคิดนั่นมันไม่ใช่ มันต้องนะมันกักขังเราเสียเวลาไปกับความผิดความถูกเสียเวลาไปกับความสุกความทุกที่เกิดจากกิตใจของเราเป็นนามธรรมามันก็สักแต่ว่าคิดเท่านั้นเองอย่าไปเชื่อจนทำตามมันคิดสิงใดก็เชื่อว่าตัวว่าตนมีตนอยู่ในความคิด เป็นพวกเป็นภูมิเป็นพวกเป็นชาติพวกภูมิที่เกิดจากความคิดนี่มีมากเป็นเปตเป็นไอสุลกายเป็นสติอิจฉานเป็นศาสนาโลกได้แต่ใครคิดได้ไงบ่อยๆเป็นจลิตนิสัยก็เป็นไปตามความคิดนั้นเป็นจริตแปลต่างคนต่างชีวิตแปล เกิดความชอบความไม่ชอบต่างกันไปเกิดสมมุติปัญญัติต่างกันไ ป, เ ก, ป, ญญกนไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นแตกต่างกันไปเพราะเอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตนมีอวิชชาปิดบังไว้ไม่ให้เห็นวิธีการศึกษาภาวนากรรมฐานนี่มีสติก็ไม่ด่วนนับไม่ด่วนปฏิเสธ เราก็ดูบางทีก็เกิดอารมณ์ขึ้นว่าในความคิดนั่นเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความสงบเป็นความผู้งซ่านเกิดข่วงม่วงเหงาหอนอนคิเดตัณหาได้กรรมมาลาฆ ะ, ะปฏิฆะมานะทิฏฐิภัยบาทปองไร้นั่งอยู่นี่เกิดขึ้นว่าเกิดไภัยบาทก็มีมันฉายออกมา พว่าเอาด้วยว่าเราใจร้ายใจดีเป็นอารมณ์ย่อมจิตเป็นธรรมถ้าเป็นไฟเศ้าหมองก็เป็นอะธรรมถ้าเป็นไฟรู้แจ้งอะไรไปต่างๆก็เป็นธรรมะเวลาเราปฏิบัตินี่ก็อย่าไปหลงไปหลงในความสงบพอใจในความสงบ ไปหลงในความไม่สงบไม่พอใจในความไม่สงบบางทีก็ง่วเหงาอหานอนลองเลยสงสัยหาคำตอบจากความคิดผลที่สุดก็กลายเป็นกินต่ยานอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีคิดผิดคิดถูกในตัวเองก็สุบันจัดไปวนอื่นคนอื่นจิงอื่นด้วย นันก็เป็นจิตญาณก่วงไกรไปไม่รัดไม่ตรงไม่เข้าไปหาความรู้สึกไม่เห็นเป็นไปกับเรื่องต่างๆที่เกิดจากทำเปิดจากอารมณ์เกิดจากกายเวทนาจิตกายซะเรียกว่าทำจากว่าทำไม่ใช่จัดปุคคลตัวตนเราเขาตัดออกไปลู่ตัดลู่ตัดลู่ลดลัดเข้าไป โดนๆสักหน่อยอย่าหามันไม่ได้หามันเห็นปติบัติธรรมเนี่มันเห็นมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นมันเป็นเรื่องไกลไม่จริงพบเห็นเป็นเรื่องใกลๆ้ๆต่อหน้าต่อตาจะเอกันจะเอ๋ขวงหลงขวงลู่เป็นเจ้าเรือน เจเอะความสุขความทุกข์ความรู้สึกตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะไรต่างๆที่มันต่อหน้าต่อตาเห็นความหลงมันก็ดีเพราะมันจะเอกันเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นความสุขเหนควาทุกมีแต่เห็นแล้วเปล่าะนะสะดวกดีถ้าเปลี่ยนไม่ค่อยสะดวกเสียเวลาเนิ่นช้าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูก ก็ร้อนชาไปบางทีอาจจะพ่อคูณได้มิจฉาทิฏฐิไปเราเป็นผู้ผิดเราเป็นผู้ถูกคนนั่นถูกคนนี่ไม่ถูกบัญญัติไปเกิดมิจฉาทิฏฐิมองกันนแยน่ร้อยแย่ดีถ้าความไม่ดีก็ปฏิเสธถ้าความดีก็พอใจเป็นอารมณ์บวกลบ ความพอใจความไม่พอใจสุดตรงไปคนละทิศละทางอารมณ์แบบนั่นวันไปคงที่ของอย่างเดียวพอใจของอย่างเดียวไม่พอใจคนคนเดียวพอใจคนคนเดียวกันไม่พอใจปัญญาต่อาสารพัดจะสมมติปัญญาตท่วมถมจิตใจของเราไม่เห็นปรมาัาจารจะตามความเป็นจริงทำหลง เป็นสมมติปัญญาตความโกรธเป็นสมมุติปัญญัตเพิ่มล่าความจังเป็นสมมุติปัญญัติเพิ่มรู้สึกตัวเป็นปรมาจิตเจริญเห็นสัจจะเป็นเป็นสมมติเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นสมมุติปัญญัติเป็นผู้สูกเป็นผู้ทุกข์เป็นสมมุติปัญญัติเห็นมันผิดเห็นมันถูกเป็นมันปรมัติตัจริญเราปฏิวัติมันต่างกันเห็นมันหลงเป็นปรมัติ เป็นผู้หลงเป็นสมมุติอยู่ในโลกแห่งความสมมุติบัญญัติเพื่อเอาแต่ของผิดผิดถูกถูกไม่เห็นผิดเห็นถูกบม่ได้เกี่ยนแท้เขี่ยนแท้เป็นประมาทสัจจ์เหมือ น, นไม่เจี่นที่เรามาทำบ้านทำเดินทนทางของมอกของกะพี่สุขสุทุกๆเป็นหมอกเป็นกะพี่ไม่จกีนกงจังอะไร ไม่มีใครได้ความสุขจริงๆไม่มีใครได้ความทุกข์จริงๆผิดพลาดไปในความผิดผิดพลาดไปในความถูกความตรอมความผิดทำตามความถูกทำตามความรักทำตามความชังมันก็ไม่จริงที่เราเราว่าสุขมันอยู่ที่ได้ที่จริงมันไม่เปลนอะไรสุ ข, ขกาจจะสมมุตอิออกทุกข์อจะสมมุตอิออกถ้าเห็นเป็นปรมา เห็นสุขเห็นปรมัติเห็นทุกข์สุขทุกข์มันเป็นธรรมะลงเป็นสังขารปุญญาพิสังขารสังขารคือความสุขปุญญาพิสังขารสังขารคือความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงคือว่าสุขว่าทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือ น, นบุญกับบาปบุญเป็น สังขารบาปก็เป็นสังขารมันเปลี่ยนนะอย่าหลงความสุขอย่าหลงความทุกข์ความดีใจความเสียใจอย่าไปหลงให้เห็นให้เห็นถ้าเห็นแล้วก็เจรงปลอดภัยจึงมาให้หมันชนี้จำนานารู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปเห็นนันอื่นนะอนิมิตเห็นสีเห็นแสง เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นเทวดาเห็นพระอินทร์พระพรหมเป็นนิมิตเป็นรูปเป็นสีต่างๆ น, นั่นเป็นนิมิตไม่ใช่ของจริงบางทีก็มีสำนักสอนเรื่องนี้กันเยอะสมัยหนึ่งลวงตาไปเดินทุต่งปีห้าร้อยสิบสองไปสวดมนต์อยู่ที่วัดตุโมง ช่วงเดือนเมษาเดือนนี้แหละฝนตกอย่างหนักนั่งอยู่ในศ า, าลาฝนตกฝนไม้ก็หักลงมากำลังนั่งสงบกันอยู่เจ้าคุณพิบุละธรรมอาสพะเทระเป็นประธานใหญ่วิปัจนาจารย์ทั่วประเทศไปเป็นทันทันลูกโอ้ตมาหักหล่องพระกำลังทำสมาธิอยู่ พอถึงเวลาอาจารย์จ็บอกให้ออกจากสมาธิก็าถามว่าใครมีความรู้สึกไงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่พระรูปหนึ่งพูดขึ้นว่าผมเห็นตัวหนึ่งตัวเฉียวเฉียวนั่งอยู่จิงไม้พอดีจิงไม้เลยหักลงมามันเป็นอะไรหูตัวเฉียวเฉียว เป็นพระอินแล้วถ้าตัวแดงๆเป็นเทวดาพระกรรมฐานช้ตัวเขียวหน่ยเป็นพระอินที่สีแดงๆเป็นเทวด า, า, า, าวนน อ, น, อ, ด น, ดาอนั่นเลยว่าแชื่อไปตามนิมิตเขาก็เห็นพระพรมพระอินคือตัวเขียวๆเห็นเทวดาคือตัวสีแดงๆงั้นก็เขียนภาพในเรื่องต่างๆ ถ้พระอินทร์เที่ยเกี่ยวเท่าไหร่ใหญ่กว่าเทพดาอ น, นันต์เจ้าก็ตามนิมิตถ้าเห็นเป็นปรมัสต์อันเป็นนิมิตเฉยๆพระอินทร์ไปใช่รูปผีเทียวพระอินทร์คือความเป็นใหญ่เทวดาหมายถึงมีความละอาตรงบาปกรรมไม่ก็คิดคงชั่วไม่ก็พูดชั่วไม่ก็ทําชั่ว คนอื่นไม่เห็นก็อายอายความคิดอั น, นี้เป็นเทวดาพระอินเคอเป็นใหญ่ใหญ่จนไม่เป็นอละมีความเป็นใหญ่มีเอตท ะ, ะคะหนึ่งเดียวจิตไม่เปลี่ยนแปลกมันเป็นคุนธรรมไม่ใช่เป็นรูปสีแดงสีเขียวเป็นคุนธรรมเกิดขึ้นกับพวกเราที่เองถ้าใครมีความละอายต่อบาปกรรมไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทําไม่มีทางตกนรก ไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยแต่ใครมีความเป็นใหญ่มั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่เป็นอะไรกัอะไรเขาเน้นเธอก็ไม่เป็นไรเราใหญ่แล้วเขาเฉินเินก็ไม่เป็นไรเาราลู้แล้วลู้แล้วลู่แล้วเป็นใหญ่พระผมก็พูดสิ่งใดคิดสิ่งใดทำสิ่งใดประครบก็ด้วยเมตตากุณาทั้งต่อหน้าและรับหลังตลอดเวลา ความเป็นผมเป็นความเป็นคุณธรรมไม่ใช่สีหน้าเราเห็นว่าผมมีสีหน้าแล้สีหน้าจริงๆจะนอนอยังไงนอนทางไหนก็ทับจมูกเลยาหายใจคือความเป็นใหญ่ในหัวแ ม, ม่ตากนหนาไม่ต า, า, ต า, าเปิยขาไม่บีบเบียนตนไม่บีบเปลี่ยนคนอื่นสิงอื่นวัตถุอื่นนั่นเป็นคุณธรรมมันก็เห็นตั้งแต่เนี่ย ไม่เป็นอะไรเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมนั่นก็ใหญ่ไปแล้วแยกไปแล้วจนในที่สุดเห็นการเกิดเกิดเกิ ด, ก ด, กดตายไม่ใช่เป็นผู้แก่ผู้แก่ผู้ตายพิจารณาหนึ่งเดืองเห็นแล้วเห็นแล้วเกิดวิลาขา้าเบื่อนหน่าการเป็น เความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความพอใจความไม่พอใจมันทําให้ไม่ปกติอยู่เนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสภาวธรรมมันเข้าถึงไดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดไปข้างหน้ามันก็เห็นอยู่แล้วความทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วความสุขก็เห็นอยู่แล้วเห็นสุขเวทนาเห็นทุกข์เวทนา เีปยปวดก็เห็นอยู่แล้วอันนี้ก็มันก็เห็นอยู่แล้วยจะไปหลงต่างไงแล้วเห็นของที่เราเหน็นไม่ใช่ของที่เราหลงของที่เราไม่เคยเหน็นของที่เราเป็นมันก็หลงเลยไปเป็นสุข ก, ก็หลงในความสุขเป็นทุกข์ก็หลงในความทุกข์ถ้าเห็นสุขถ้าเห็นทุกข์มันก็ไม่หลงแล้วลูกเห็นนามเห็นลูกมันทุกเห็นนามมันทุกคนผู้เห็นทุกข์มันจะมีทุกข์ยังไง ide. นั้นคนที่เห็นงูมันก็ไม่ให้งูกัดเมื่อมันเห็นก็หลุดพ้นถ้าไม่เห็นก็ไม่หลุดพ้นเหเห็นลูกทุกบางทีเราเป็นผู้ทุกไม่รู้จับช่วยตัวเองเห็นทุกมันก็ช่วยได้อะไรที่เป็นความทุกเกิดกับลูกมันก็ไปทาไม่คิดไม่ไม่สัมผัสมันก็ให้ลูกปลอดภยัยเช่นสุบขลีลูกมันเป็นทุก กินเาโรคมันเป็นทุกข์โกรธเกลียดเคียดเช้นจริงๆนา ม, มนเป็นทุกข์มันเป็นโลกรักษาได้โลกแบบเนี้หายเลยหายเลยความสุขความทุกข์แบบนี้อันสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติไม่เป็นปัญญาไม่ใช่มาเป็นปัญหาถ้นหายใจเข้าหายใจออกการยืนนั่งนอนการกินการถายอันนั้นเป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติ ไม่ใช่ออกมาเป็นทุกมันเป็นสภาบทุกตามธรรมชาติขอบคุณมันมันร่อนเป็นขอบคุณมันหนาวเป็นขอบคุณมันหิวเป็นขอบคุณธรรมชาติมันกวดหนักกวดเบามันเป็นธรรมชาติบางทีมีอะไรก็มาเป็นทุกมันไม่ใช่มันเป็นปัญญาลได้เรามาศึกษาพระสูตรเนี่ยเป็นสูตรชีวิตสูตรหลุดพ้นสูตรลื่นโหน สูตรอันนี้เป็นสูตรชีวิตของเราเหมือนกันหมดไม่ใช่เรียนสูตรไม่ใช่เราได้เรียนสูตรต่างๆมาอันนั้นเป็นสูตรวิชาการมันก็ใช้ได้เป็นแพทย์พยาบาลการเกษตรการคณิตอาศาสตร์อะไรต่างๆก็อ่านออกเขียนหนะ้าตามเป็นแต่ว่าอ่นโกรธโลกหลงยังไม่ได้แตะต้องมีความรู้อยู่ อันสูตรนี้มันลื่นตัวนี้ไปก็ับ ม, มีสู่รตื่นก็ยิ่งดีใหญ่เป็นไปสูตรหลักเราจึงไม่ควรที่จะปฏิเสธเรื่องชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องการกระทําปฏิเสธตัวเองไม่ได้เราจะดีกระดานไหนถ้ายัางไม่รู้เรื่องนี้ก็ไปไม่รอดต้งเป็นบาปอกุศลเป็นทุกข์จะหงอยเดินฟ้า ก็อย่าไปอัศจรรย์ถ้ายังมีโรคโกรธหลงอยู่มีเงินมีทองก็ช่วยไม่ได้หลงตาไปพูดเมื่อวานนี้ที่ท่าหมอไปหวานตอนเช้าถ้าจะพูดถึงเศรษฐกิจ่ะใครจะรวยเท่าหลวงตาวัดปาสุขกโตอีกสามิปีข้างหน้าหลนตาปลูกต้นไม้ไว้ในวันนี้เป็นแสนแสนต้น สามทปีข้างหน้าจะได้ต้นละหมื่นบาทถ้าเสริรนต้นจะได้เงินกีหมื่นนะ <laughs> <c oughs> จะมีใครรวยเท่าเราเลยเจ้าบ้านทำไร่มันรรยอ้อยภาษาอะไรของตาคุยวันภาษาอะไรพ่อญาติโยมทำไร่บรรยอ้อยจะมาอีกสามทีปีข้างหน้าเนี่ยมาคิดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรืสิอะไรมัน ต้นใหม่ที่นี่ดูสิต้นยางต้นอะไรต้นโยงต้นหยางต้นตะเคียนทองต้นหมอข้าวโมงต้นหมกกันหีทึกวันนี้ก็ที่ผูกแว้บางต้นก็เกือบจะถึงบืนมาทแล้วยังหมกกระนีที่หน้าทิศเหนือลงฐานสูงใหญ่แล้วไล้เราจะค่าพันบาทอ่ะอันนั่นมาอ้างกันเลยไปยึด มันมาเราจนเรารวยมันก็รวยได้แต่ว่ารว ย, ยหัวใจก็เราไม่โลภไ่โกรธไปหลงนะนเงินต้นไม่แสนต้นด้ยแสนหมื่นอย่างน้องให้ต้นไม่ที่นี่ต้องมีส อ, องตาโปกไว้ไม่ต่ำกว่าแสนสองแสนต้นเราคิดต่ำๆไปเพียงสี่ห้าปีเนี่ยสี่ปีแถวเนี่ ย, ยสองหลง สี่พียงก็เท่าต้นนี้แล้วบางต้นบอกไว้าภูเขาทองยี่สิบกว่าปีตัดทําเสาบ้านไล้แล้ ว, ลวไม่ปละดูไม่แดกหลายต้นห้าพันบาทแล้ ว, ลวเรามอบให้แผ่นดินไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่เกิดจากการกระทําของเรามันไม่ใช่ของเราเราภูมิใจตรงนี้เป็นของแผ่นดินเป็นของโลก องนี้ก็มีแต่ลอยมือเราทำํำไงแล้วก็ต้งองมอบให้เป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของเราให้เหมือนญาติเหมือนโยมญาตโยมแบ่งให้ลูกให้หลานได้อันนี้ไม่มีส่วนแบง่งเสือสาดหมอนมุ่งแบ่งปันมาดาก็ดีเสียละยกให้ใครมาไ่ะเป็นสมบัติส่วนห ล, งลวงเราก็ภูม่อยชีวิตนัก บ, บวชก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราได้อันนั้นเราได้อันนี้ไม่ใช่เรา ก็พรมอกุมใจนอนตายโยนพยาบาลแล้วก็มองชีวิตของเราโน่าก็ไม่ทำบาปทำกรรมอะไรมาทำแต่ความดีมาสบายสบายสบายเลยไม่สะดุ้งเรื่องใดแรบนั้นเป็นบนุญเมื่อถือความอิ่มใจสุขใจไม่มีสะดุง้งไม่มีกระทบกระเทือนเลยจึงมาำํำระล้างสะชีวิตของเราเนี่ย มันมีจริงๆทําบาปเองย่อมเจ้าของเองไม่ทําบาปเองย่อมหมดจดเองนี่วิธีร่างบาปมาปฏิบัติธรมเนี่ยเรามีความเจลีเป็นธรรมดาอย่าล้มพ้นความเจลีไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีกรรมเนของของตนเราเปกรรมเปนทิพย์เงินอสังแลริมกรัพเป็นเผ่าพัน์ ทำกรรมเป็นอะไรต่างๆที่เราสวดเราทำดีวันนี้เรามีสติก็เราความชั่วแล้วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตบริสุทธิ์มันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแบบมันใกล้ๆมาง่ายง่ามันเป็นการทำบุญโอ้มันเป็นการทำบุญมันเป็นการละบาปเราการวิชากรรมฐานเนี่ย มาเป็นพวงเลยจ้ากน้อยก็ต้องต้องต้นชีวิตให้ได้อาสมผมมาจา่าลีอาสมขณหัตอาสมวันนปรลัดอาสมสัญญาสีพวกเราอายุเจ็ดสิบปดสิบปีหกสิบปีเป็นอาสมสัญญาสีอาสมสัญญาสีช่วงนี้เราก็ใช่ั น, นสงที่เราใช่มาตั้งแต่ยี่สิบปี สี่สิบปีหกสิบปีสมใจรีเป็นหนุ่มเป็นสาวบริสุทธิ์ปรถองต้องต้นตัวดีกระหายสมหาจีนมีครอบมีครัวก็ยันหมั่นเพียรเย็บหอมหลอมลิบมั่นบประหลัดมีลูกมีหลานเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานลูกดีหลานดีเออสมแจ่เท่ามาก็าก็ดูแลเรา วันที่เก้าเนี่ยหลอนตาจะไปเทศที่โรงเรียนชมชนของเผยแจงข้อถ้าเราจักา ร, กรเกษียณประมาณ100ร้อยคนพวกเกษียณทั้งหลายพวกครูทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายเด็กเผยแจงข้จะมารวมกันอสองสัญญาสีไม่ลําบากเริ่มต้นมาดีมีลูกมีหลานมีเงินเดือนไม่ลําลบากถ้าเราตั้งต้นดีถ้าเราตั้งต้นไม่ดีก็ ทำบากเนี่ยเรามาตื่นแตเด็กสึกแต่ตหนุ่มหล่นตานีอาศสมสัญศัยสีแล้วสบายนอนอยู่ก็ได้ไอ้ชีเขาไม่อยากให้ทำอะไรพระก็ไม่อยากให้ทำบลาเขสอนกันเองพระสอนกันเอ ง, อ เ, องเดี๋ยวนี้บวชเนนร้อยกว่าลูกมันก็ลาบากอะไรเลยมีแต่ถามมาเป็นไงโอยดีไม่ปะะัญหาเลยไม่มีปัญหาเลย เขาเนนลุนนี่สบายมากเราไม่ได้ไปพูดจกรรพระพาดจันทั์เองเวลาจับจอบไปขุดอะไรนีดหน่อยจอนดก็จบไปซ่อนไว้ไม่อย่างให้ทำสบายใช่ไหมสัญญาศีวก่อนแล้วเวลาเนียไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้เพื่เราก็เป็นห่วงก็อยู่ในอาสมจัญญาศี ดูที่ใดก็มีแต่ลอยความคิดหรือตอยมือของเราตอนนั่งอยู่นี่ก็เป็นลอยมือของเราเองลอยความคิดของเราเองเพราะ น, นี้ก็ไม่มีอะไรเศร้าหมองเจอทํากรรมชั่วเลยทําแต่ความดีมันมีจริงๆบุญเนี่ยบาปก็มีจริงๆสวรรค์นิพพานมีจริงๆชีวิตเราต้องเข้าถึงอย่าต้องเพ้อฝันคิดว่า กลจะตายกลัวจะเจ็บกลัวจะแย่ไม่ใช่หรืภาษาอะไรเคยเจ็บเจ็บตายเรื่องเล็กน้อยไม่มีใครแย่ไม่มีใครเจ็บ ไ, ไม่มีใครตายมีแต่เห็นแค้งตามความไปจริงสนุกหลงตาไปป่วยโรงพยาบาลหมอหวัวระหวันนั่นเอ็นไบน้นวัดจัดลูกศิษย์มาดูแลเราอย่างดีแล้วหลังก็หนูเอาลูกศิษย์อย่างดีมา ดูเลยหลวงตาโอ้ผู้ชายะฮะก็มีคนช่วยเนาะป่วยไข้มะหมอดีไปเจอหมอก็ดีอ๋ออไกันไปเจอหมอดีไปเจอยาดีเพื่อนดีย่าโจมที่สุโกโตเพราะสงสมณเรนรไม่ขีไม่ได้ไปดูแต่ว่าอยู่ในหัวใจของเราเราไม่ได้ มาทำวัดสวมน์สองปีสามปีพระท่านก็สอนกั น, กนเราก็ผูม่อยปฏิบัติก็อยู่กันพระ ก, ก็สอนกันอยู่อี้ยเราตายไปก็ไม่เป็นไรไม่ตายความดีอนี่สุขโตนี้แม่หลวงตาตายไปก็ไม่สูญเสียยังพากันทำกันน้อยก็้าติโยมก็พองปฏิบัติกันอยู่เพราะเราทำดีเองแต่ให้ใคร เป็นผ่ช่วยเราลองช่วยตัวเองนี่คือของจริงอย่าประมาทมันมีบุญมีบาปชีวิตของคนเนี่ยไม่เหมือนสติาชาทำดีก็ดีได้ทำชั่วก็ช่วด้